วิธีรับโอวาทของภิกษุณีภิกษุณีทั้งหลายพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้า ภิกษุณีสงกราบเท้าภิกษุสง์และขอเข้ารับโอวาทในว่าภิกษุณีสง์จงได้การเข้ารับโอวาทภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญภิกษุณีสงกราบเท้าภิกษุสง์และขอการเข้ารับโอวาทในว่า ภิกษุณีสงจงได้การเข้ารับโอวาทภิกษุผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงพึงถามว่าภิกษุบางรูปที่สงแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีมีอยู่หรือถ้าภิกษุบางรูปที่สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอยู่ภิกษุผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงพึงกล่าวว่าภิกษุชื่อนี้สง แต่งตั้งให้สอนภิกษุณีภิกษุณีสงจงเข้าไปหาภิกษุนั้นถ้าภิกษุบางรูปที่สงฆ์แต่งตั้งให้สอนภิกษุณีไม่มีอยู่ภิกษุผู้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงพึงถามว่าท่านรูปใดสามารถสอนภิกษุณีได้เล่าถ้าภิกษุบางรูปสามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้และมีคุณสมบัติ8อย่าง ภิกษุผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงพึงสวดแต่งตั้งแล้วประกาศว่าภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนภิกษุณีภิกษุณีสง์จงเข้าไปหาภิกษุนั้นถ้าไม่มีใครสามารถจะสอนภิกษุณีได้ภิกษุผู้ยกปาติโมกขึ้นแสดงพึงบอกว่าไม่มีรูปใดที่สงแต่งตั้งให้สอนภิกษุณี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 จะรับให้โอวาทได้อย่างไรกันภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาเทเถิดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้วา่าภิกษุทั้งหลายพึงรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังเตรียมจะเดินทางภิกษุณีทั้งหลายพากันเข้าไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าท่านโปรดรับให้โอวาทภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงทั้งหลายอาตมากําลังจะเดินทางจะรับให้โอวาทได้อย่างไรกันภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า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 และภิกษุผู้กำลังจะเดินทางภิกษุทั้งหลายที่เหลือพึงรับให้โอวาดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูนพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่ารับให้อววาดและนัดหมายว่า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 ภิกษุณีไม่ไปที่นัดหมายไม่ได้รูปใดไม่ไปต้องอาบัตทุกกฏ